แสดงธรรมสู่การฟังขอใช้ทีน่นี้ให้เป็นการแสดงธรรมพูดความจริงต่อกันอย่าได้ทำมาดื่นเลยหลัตาไปงานต่างๆสี่วันห้าวันไม่มีโอกาสแสดงธรรมเลยตํางแต่อันดื่นเป็นพิธีกรรมไปบางงานเนี่ยลงทุนเป็นสิบล้านขึ้นไปแต่ว่าเป็นพิธีไปซะไปฉลอง พัจ ด, ด ส, าสําศัของท่านเจ้าคุณเมืองเลยงานใหญ่โตเฉพาะของถวายพระเนี่ยแต่นอกก็ไม่ต่ํากว่าสองล้านบาทพระจะรูปก็ไม่ต่ากว่าหมื่นกว่าสองหมืนบาทการงานดันดื่นมากมายพระไปร่วมงานก็ไม่ต่ําต่อสามสีร่รอยรูปผู้คนไปก็ไม่ต่ํากว่าพันสองพันคนช่วงเที่ยกัน ยัญ่โตแตว่าไม่ค่อยมีโอกาสแสดงธรรมและไม่มีใครแสดงธรรมไม่แต่พิธีศาสนพิธีกันนั่นจึงใช่ที่นี่แหละเป็นที่แสดงธรรมที่อื่นก็ไม่เหมาะที่นี่เหมาะที่สุดเลยเราก็ประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้นท่านที่มาที่นี่ก็ให้มีโอกาสได้ฟังธรรมกันอยากได้มาอื่นและมีโอาสศึกษา มองดูความถูกต้องของทั้งหมดที่นี่เขาเจริญสติกันหลังเจริญสติกันมีสตินี่มันไม่ให้ค่าเะยถ้าเป็นสติจริงๆไม่ให้ค่าเลยเลยความหลงก็ไม่มีค่าความรู้ก็ไม่มีค่าเราก็รู้ซื่อๆหลงซื่อๆธรรมดาความทุกข์ก็ไม่มีค่าความสุขก็ไม่มีค่าวันสุขเฉยๆวันทุกข์เฉยๆ มันไม่ใช่เรื่องของเราที่ไปเกี่ยวข้องในเป็นความสุขความทุกข์ในความสุขความทุกข์นั้นเรามารู้เฉยเฉยสติจะเป็นเช่นนั้นเป็นตัวเฉลยคือเข้าถึงภาวะควงมรู้ซื่อๆอย่างเนี้แล้วก็ว่าศึกษาภาวะอย่างนี้ลองดูในโลกนี้มันมีรสชาติมันมีค่ามากบางทีก็เงินก็มีค่าได้มีเงินก็มีค่าเป็นความสุขก็ไม่มีเงินก็เป็นค่าเป็นความทุกข์ ก็ให้ค่ากันไปแล้วก็เป็นสมมุติปัญญัติไม่ใช่ปรมัาจิตจักระทุกความสุขต้องปวงที่เราหมากันที่เรากลัวกันมันก็ไม่จริงสักตีความทุกข์ก็ทุกแล้วทุกอีกความสุขก็สุขแล้วสุขอีกหิวความสุขกลัวความทุกข์ก็หนีไปพ้นเราจึงมาลู่ซื่อซะมาก็แสดงให้เราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตานี้ในภาวะเช่นนี้ เราไม่ต้องไปถามผู้ใดเราถูกหลอกหลายข้างหลายข่าวให้เป็นสุขเราถูกหลอกหลายข้างหลายข่าวให้เป็นทุกข์ทั้งๆนี้มันเป็นเฉะนั้นเราไม่เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆโดยเงพาะรู้ซื่อๆเน่ยให้มันลบศูนย์จะที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เหลือศูนย์ไม่มีค่าสำหรับเราเลยในโลกนี้แต่ก็ใช่สมมุติปัญญา ต้องพูดว่าสุขว่าทุกเป็นส ม, มุทบนญยตมาพูดกันถ้าพระพุทธเจ้าพูดว่ามีแตทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้น ต, นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปเพราะอะไรเพราะมาเห็นซื่อเนี่ยก็มาจริงไปอย่างนั้นไม่ใช่เราไปเอาความทุกขไม่ใช่ไปเอาความสุขแล้วหนีความทุกข์เมื่อมีสุขมีทุกข์เมื่อมีสุขอยู่ก็มีทุกข์อยู่เมื่อมีทุกข์ก็มีสุขอยู่วันเลยมีค่าเป็นบวกเป็นลบ ชีวิตเราเป็นไปชีวิตที่บวกที่ลบอยู่ตลอดเวลาให้มันเหลือศูนย์มาก็ไม่มีอะไรที่ไปบวกไปลบก็จะมามีสติดูให้ดีๆหน้าหัวเลาะมาน่ะโลกเนี่ยว่าเราชํานาญตรงนี้แล้วน่ะแล้วก็เหนือเกิดแก็เจ็บตายได้ถ้าไม่ชํานาญตรงนี้ไม่หลีกทางตรงนี้แล้วมันเข้าไปชนกับพวงแจกความเจ็บความตายเป็นพวกเป็นชาติ นับไม่ถ่วนเกิดดับเกิดดับกับภาวะต่างๆที่มันมีอยู่ภาวะมันมีอาการของกายมันก็มีอาการของใจมันก็มีแล้วให้ค่ามันบางทีแบบอ่าอาการว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นไหมมันหลงเห็นไหมมันรู้เห็นไหมมันผิดเห็นไหมมันถูกเห็นไหมเวลามันหลงเป็นยังไงเวลามันลู้เป็นยังไงเวลามันผิดเป็นยังไงเวลามันถูกเป็นยังไงเวลามันสุขมันทุกข์เป็นยังไง ก็มีหลักอยู่แล้วได้ยินมานานแล้วกายก็ศักดิว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็บอกอยู่พุทธเจ้าบอกว่านานนาเวทนาที่เป็นสุเป็นทุกข็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตที่มันเป็นใหญ่เป็นโตสําเร็จแล้วที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหน้ามันก็แปลว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าตรงที่มันสําเร็จ ที่เป็นสมมุติเป็ญัติมันไม่ใช่จัตผู้คนตัวโลโก้ถ้าเป็นปรมตาจาจย์มันไม่เป็นไรมันเป็นชื่อของเขาตลอทั้งธรรมที่เป็นอ่าถูกเป็นทุกเป็นความสงบความผุ้ง่านเป็นกุศลเป็นความฉลาดเป็นอกุศลคป็ความง่มันก็เป็นธรรมธรรมดาเฉยๆมันไม่ใช่เป็นจริงจังอะไรแล้วก็เห็นซะให้มันหลุดออกไปซะ เมื่อหลุดตรงนี้แช้่โซ่ตรงนี้ไขกุญแจตรงนี้มันก็ไปได้ไปสู่ความไม่เกิดไม่เจ่ไม่เหยียบไม่ตายได้แล้วจึงอาศัยสถานทีน่นี้มาพูดเราเนี่มาทำมาศึกษาดูคนอื่นท่านทั้งหลายรู้มากแล้วจะเป็นอาชีพการงานหน้าที่รอบพอทัวหือปากกาปากเดียวไปหางานทาก็ได้หรือไม่ต้องถืออะไรเหมือนลงตาไปอยู่ เซนต์อเมริกาเขาไม่ได้หอบพิโวเลยไปบ้านเขาก็ไม่มีเขาไม่เอาบางทีพ่อแม่มอบบ้านให้สมบัติไทยให้เขาขอแปเอกคนไทยที่เป็นหมอไปอยู่ที่นั่นวอตเทิะเอาทรัพย์สมบัติมากมายไปให้ลูกลูกวันเรียนลูมาลูยควอมลูไม่ไม่เอาเลยเลยซื้อครื่องหัดใหญ่ใหญ่หลายหลังให้ฝรั่งมาเช่า ก็เจ็บเงินเจ็บทองได้งานได้ทองอลูก ม, มีความรู้แล้วไม่เอาอะไรมันว่ามันขี้เกียจเสียภาษีเขาเดินไปตัวเปล่าสามารถอยู่โลก ไ, ไหนก็ได้เขามีความรู้เ ข, า, ขาเลยไม่กลัวไม่ต้องมีบ้านอะไรไม่ต้องมีอะไรมีความรู้อ่านมันถึงขาัานต้นแล้วนะคนนะ่ะมีแล้วคนที่พอตัวได้ลักษณะแบบนี้ไม่ลำบาก เพราะมีการศรึกษาหลักสูตรสําเร็จสูง ส, สุดในโลกนี้บางคนมีปากกาปากเดียวบางคนมีกังไกอันเดียวหาชินตลอดชีวิตถัดเสื้อผ้าไม่ต้องมีอะไรุกวั น, นีนมันพัฒนาไปแบบนั้นแต่ว่ายังมีทุกไหมมีสุขไหมเขาฝ่ายควาหาความสุขเขาหนีความทุกข์อะไรที่เขามองว่าเป็นทุก เขาก็หนีเขาหนีไปเรื่อยๆไปเจอกับความแก่ความเจ็บความตายจะหนีไปยังไงมานี่มันก็จนตรงนั้นเองมันปิดประตูตรงนั้นออกไปได้แม้เขามีความรูปลากวายเขาออกตรนั้นไม่ได้เป็นสัจธรรมที่ตรงนั้นเขาไม่รู้มันเราลูกวันนี้วันหลงก็หลงซื่อๆวันลูกก็ลูกซื่อๆวันทุกข์ก็ทุกข์ซื่อๆ มันสุกก็สุกซื่อๆเขาบอกซื่อๆหรือแม่แม่ค่องแวะถ้ามันสุกมันก็ไปซื่อแล้วถ้ามันทุกข์ก็ไปซื้อแล้วมันค่องแวะไปเกาะอยู่กับความสุขค um like ่องแวะไปเกาะอยู่กับความทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้นชีวิตเรามาเห็นมาดูจริงๆดูสิมาดูจริงๆให้มันเห็นต่อหน้าต่อตาเราเนี่แล้วมันก็ไม่อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เราะ ผมมีสติมันก็เห็นทันทีแหละมันฉายออกมาให้เราเห็นมันหลงมันรู้มันผิดมันถูกเอา้าเราก็รู้ซื่อๆไปถ้าแตแ ต, ตั้งให้ถูกให้เกิดความถูกต้องอยู่โดยชอบอันอยู่โดยชอบคือรู้ซื่อๆพิสูจทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันเลยถ้าอยู่ไม่ชอบแม้จะอยู่กับพระเจ้าก็ไม่มีอรหรันเสร็จสิ้นนะ คืออยู่แล้วชอบคือลู่ซื้อๆไปตู้ซื้อๆไปอัง่ายไหโอ้อง่ายอันง่ายเป็นก็พูดคำว่าซื่อๆมันง่ายดีแต่ว่ามันไม่ซื่ออวันทุกก็เอู้แสดงออกวมันสุกก็แสดงออกลองให้มันเหนือสักหน่อยเลยมามีสติซื้อๆยกมือลู่ซื้อๆไปอีอยาที่ลู่ซื่อๆ มีขั้นมีตอนมีการประกอบมันขึ้นมาทำมันขึ้นมาได้ไม่อดไม่อยากมีตลอดไปในความทุกข์มันก็มีความซื่อๆในความสุขมันก็มีความซื่อๆหนอะไรต่างๆมีความซื่ออยู่ตรงนั้นตรงไหนมีอะไรมีซื่อๆอยู่ตรงนั้นทั้งหมดในโลกเนี่ยมันมีอยู่ที่ทุกทางาว่าซื่อๆตัวเนี่ยเจ้ายังไงพวกเรา ทำไมไม่ให้เกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมากับตัวเองมันจะไม่เนิ่นช้ามันไม่มีอะไรที่ทำไม่มีอะไรที่จะหาไม่มีอะไรที่ตอบความพูดก็ไม่มีมันก็รู้ซื่อแล้วภวะซื่อแล้วเพราะนั้นจะมาฟังเรื่องนี้กันมาทำเรื่องนี้กันอย่าให้ที่นี่ไปทำมนอื่นหลงตาไปสี่วันไม่ได้อยู่นี่ เมื่อได้เข้าถึงปภาวะซื่อๆเลยทุกคนก็เอาหมูนจิ้วไปทำความเขียดเพื่อจะเอาเรื่องเคยทำเรังนี้บางคนต้องวิ่งเอาทำงานทำการสอนรับผู้คนตั้งหลายบางคนมาตั้งโรงทานเป็นละร้อยลงมาจากต่างประเทศก็มีเพราะอาจารย์เจ้าคนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านธรรมะ แต่คนก็มาช่วยให้ออกนีจากธรรมะไปร้านลงทานนะ่แะแลกจะจะกินอะไรติดป้ายขึ้นไปลงทานบริษัทนั่นลงทานธนาคารนี่ลองทานที่น้นที่ตั้งขึ้นมาวินเทอ บ, บาทก็ใส่รถเขียนมาเป็นหลายพันตันวินเทอ บ, บาทเออเทวาทตแค่นี้ไปถึงสลาหน้าเนะี่ถายวาดสี่ครั้งอาหารก่อนกิน แล้วก็จ hey, e e ินชื่อิ่งล้วคนก็ไปทําสารชนมากมายมันก็เลยเสียเวลาไปเราจะมาศึกษาแบบซื่อๆเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องคูดีคู่โจร้องอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่อยู่ที่ไหนก็ซื่อๆได้ไม่เลือกกันไม่เลือกเวลาพวามว่าซื่อๆได้ยากไปที่พูดอย่างนี้ะ หลวงาก็พูดเล่นเล่นไปเฉยๆนี่แหละเอาอ mm hmm. ก็เล่นเล่นั่นแหละของไม่มีค่าไปตำจริงกันมาก็เล่นเล่นไปหัวเลาะมันไก่มันก็ไม่มีอะไรอย่างนี้มันมีค่ากายก็มีค่าเวทนาก็มีค่าจิตก็มีค่าให้ค่าอะไรทุกอย่างตสมมติมันหยัดขึ้นมาก่ขึ้นมาให้ค่าเป็นอย่างนั้นก็จะไปช่วยกันแต่พวกเราวันนี้ก็มี พวกศิลปินคณะศิลปินมาที่นี่อีกทุ่มหน่นหลวงตาก็จะไปคบกับคณะนี่ประมาณสี่สิบคนที่สรารานาก็มาคิดช่วยกันอันหลายหลายอย่างที่เราจะช่วยกันให้มันเข้าหาราวะซื้อวันยังจะอยู่รลดโลกได้ป่าไม้ร้องให้แม่น้ำรลอง่วย เป็นดินเปลนอพาสอากาศเป็นพิษเพราะมันไม่ซื่อๆมันก็ก็จ่ายไปทั่วเลยเดื อ, อดร้อนไปทั่วทั้นที่ป่าไม้ก็เป็นป่าไม้เขาก็ร้องให้ซะไปป่าเผาคนทาลายแน้ําลงป่วยที่จะเป็นมน้ําซื่อๆน้ําก็ต้องใช้น้ำอาบเยนกิ น, นได้เติมได้บริสุทธิ์ช่วยมนุษย์ช่วยสัตว์ น, นี้ก็ป่วยววไปแล้วเน่าไปแล้วเพราะมันมีคนใช้น้ำไมใ่ใช่ซื่อๆ เพื่ออะไรเยอะแยะอ่มันก็เลยเป็นโทษจะมาช่วยกันให้มันเข้าสู่ภาวะซื่อๆชีวิตเราถ้ามีความซื่อแล้วมันไปใช้อะไรก็ถูกต้องไม่เป็นอื่นไปเป็นป่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นอากาศไปในชีวิตเราก็เหมือนกันถ้ามันซื่อๆแล้วก็ไม่ยากอะไรรัดเนี้ยมืเดียวง่ายอ๋อแต่นี้มันยากเกินไปฮะล้วก็ต้องอาใจ ปัจจสี่ปัจจห้ามันไม่ใช่ภาวะอันภาวะซื่อๆเนี่ยมันก็เกิดปัดจจสี่ปัจใจห้าได้อย่างง่ายได้ถ้าไม่ซื่อๆมันเกิดแต่ยากเพราะพุดีก็สูบมันไม่ซื่อๆเล่เาก็ดื่มเที่เทเยวเตะเร่ร่อนพุ่มเือพุ่มเวยมันก็เลยไม่ซื่อๆแตนที่จะมาใช่เป็นปัจัจสี่มันไม่ใช่ปัจัจสี่มันเกินนั่นไปเอา ัวยโองามเอายี่ห้ อ, อ, อ, อ, อ, อไปซะไม่ชื่อซสือเป็นเย่นั้นในโลกนี้